มันแกล้งทำขึ้นมาทำทำําตรงๆดันดันขึ้นมามันก็เป็นการแกล้งทําอย่างหนึง่งสร้างภบขึ้นมาถ้าสร้างภบแล้วก็เข้าไปอยู่กับภบนี้มีความสุขให้รู้ทันนะเออหลวงพ่อคะว่าไงเออที่ที่สอสองวันที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเวลาแล้วเดินสงกรมเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าแล้วจอรู้รู้รู้สึกอคะค่ะ อันนั้ น, นรัดเข้าไปคลุกมากไปหรือเปล่าหรือว่าที่เรารู้สึกมันดีอยู่แล้วต้องไปเดินให้ดูนะไ <c oughs> ปเดินตรงนี้นะไปเดินหล่อยหน่อยก็ไม่ใชายังแบบติดๆแต่แตอนนี้รู้สึกมันค่อนกว่าคว่าเมื่อวานนะครับ <c oughs> ออคือเหมือนมันตึงๆอย่า ง, ง, งที่ห <c oughs> งพอบอกเมื่อวานคือเหมือ น, นสร้างพบว่เหมือนตึงๆอารมณ์ไว้ใช่ใช่ใช่วันนี้ปล่อยแล้ว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 เราจะขยันปฏิบัติจิตใจจะจดจ่อจิตใจจะเข้าเคลียร์การปฏิบัตินี่เรียกว่ามีอิทธิบาทอิทธิบาทเป็นธรรมะที่ให้ความสําเร็จความสําเร็จจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยไม่เนิ่นช้าเจ็ดวันมีนะเจ็ดเดือนก็มีเจ็ดปีเจ็ดปียังไม่เห็นตัวนะนั่นต้องหักนะหักไปให้มีความสุขอย่าเคร่งเครียด สังเกตไหวันไหนพอเริ่มคเคร่งเสียดหลวงพ่อจะต้องหาอะไรเล่าให้ผ่อนคลายพอผ่อนคลายจิตใจก็จะเริ่มทํางานอีกแล้วพอเครียดเนี่ยจะซึมกระตือทื่อๆใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นภาวนาภาวนาด้วยความสุขมีความสุขรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างมีความสุขเห็นกายเห็นใจมันทํางานไม่ใช่เราทํางานดูไปเรื่อยๆอาคุณมนรอจนผ่านหมดไปแล้ว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 คนแก่ก็อย่างนี้แหละแป๊บเดียวก็ลืมแล้วเอาคุณพุธเอาละคุณมนลจบยังวันเสาร์ดับไรอะหรอว่าหลวงพ่อกล้งสองคนเลยรไม่แกล้งหรอกมันชี้ลืมแล้วไงก็มันได้อยู่สองวันเลยค่ะตั้งบั่นอยู่สองวันวันจันทร์มันหายไปหมดเลยอะค่ะเอาเจหายไปแล้วรัก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 สิ่งที่พูดให้ฟังวันนี้นะบางครั้งข้ามพบข้ามชาตินะข้ามภพข้ามชาติใส่เพราะเราฟังด้วยใจที่เปิดรับเคยมีพระองค์หนึ่งอยู่สมัยหลังพุทธกาลนะลราวพศสามร้อยอยู่กับอาจารย์หนุ่ยในปาอาจารยนะ์เป็นมะเร็งที่นัาแข้งมะเร็งผิวหนังกินลึกลงไปเรื่อยพรยา น, นี้ยังหนุ่มนะเาก็พยายามหาใบไม้หาอะไรมาพอกหายามมาใส่ไม่หาย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 จิตขยับไปเยืน่นคิดอะไรู้หมดเลยมั น, นอัตโนมัตินะเนี่ยเวลาสติอัตโนมัติมันหมุนจีจ๋ๆเลยทั้งวันทั้งคืนเคยได้ยินอาจาร์มหาบัวพูดไนหะหมุนติ้วๆทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งหลับทั้งตื่นเลยทํางานแล้วก็มีอีกอย่างานะคะเหมือนมีเสียงพระอาจารย์เตือนน ะ, ะแบบเวลาเวลาทําเผลอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีเสียงพระอาจารย์เผลอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนใคร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 อย่างเวลาเราจะปฏิบัติเราจงใจไปรู้ลมหายใจนี่ไม่เรียกว่าสติแต่ถ้าร่างกายหายใจอยู่เราระลึกได้ว่าอ้อมันกําลังหายใจออกมันกําลังหายใจเข้าหายใจสัน้นหายใจยาวแค่ระลึกอแค่นึกขึ้นได้ว่ารู้สึกขึ้นมารู้สึกถึงความมีอยู่ของเขาไม่ว่าสติครับนะทีนี้อย่างสมมุติว่าเวลาเผลอนะฮะเรารู้เราก็ว่าเราเผลอเนี่ยสภาวะยังไงเรียกว่า ส, สติใช่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 มันเปลี่ยนละจากการทํางานที่ตามาเป็นการทํางานที่ใจครับแล้วรู้สึกไหมยอย่างเราคุยกับคนเนี้ยฟังหลวงพ่อพูดเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็มองหลวงพ่อใช่ไหมเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดคไม่ได้เจตานารู้สึกไหมทําเองฟังก็ฟังเอง <c oughs> คิดก็คิดเองดูก็ดูเองจิตไม่ใช่ตัวเราทํางานได้อเองเี่การที่คุณเห็นจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเห็นอยู่เท่านี้นัพอแล้ว จริงๆแค่นี้พอเราจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาได้ที่ทำงานได้อีกของคุณติดกันสะครองแรงไปนิดนะยังไม่หมดเมือเจ็ดเมือเจ็ดการทำพรัสการหลวงพ่อค่ะมันยังกดกดอยู่เพ่งเ่งอยู่เจ้าค่ะนี่เรียนกับใครเนี้ยใครสอนให้อยู่ที่ริงห้อยมีใครเป็นวิทยา ก, กร <c oughs> ใช้ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะ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 ดีนะดีชาวการไฟฟ้าเบอร์สนะิบสองตื่นเต้นเต็มประดาแล้วรับหัวใจใกล้วายยางเอางี้ช่วยเขาหน่อยนะให้เขาพูดก่อนเขางพอครับรู้สึกกอดตาห น, น, น, น, นะครับมอไม่เป็นปฏิผัดเลยครับเออหลวงพ่อเลยสงสารนะให้พูดพูดจะได้ปนนลด้อน <laughs>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 แล้วไงอีกค่ะจะกับเรียนถามทางจะถามไรละว่ามาค่ะตอนนี้ที่ดูอยู่นะคะของคุณน่าดีแล้วใช้ได้นะดีแล้วกลับขอบคุณค่ะเบอยร์ยี่สิบคนนี้น่าเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในรุ่นเพราะเป็นคนที่หกสิบรอไม่นานที่สุดครับกับทำสการ์อาจารย์ก็คนแรกเนี่ยก็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 จิตตานุปัสสนาคำว่าปัสสนาแปลว่าเห็นแปลว่ารู้จริงๆแปลว่าเห็นอนุแปลว่าตามอย่างอนุภรยาภรยาที่ตามมาทีหลังอนุชาผู้เกิดทีหลังอนุปัสสนาการตามเห็นตามเห็นตามเห็นอะไรตามเห็นจิตมันจะเห็นว่าจิตตะกี้เผลอไปจิตตะกี้โกรธจิตตะกี้โลภจิตตะกี้มีความสุขอะไรเงี้ยดูอย่างนี้เรื่อยๆ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 พุโทโธพุธโทโธก็คือบทสวดมนต์นั่นเองแต่แทนที่จะสวดยาวๆก็สวดสั้นหน่อยหรือคนไหนรู้สึกพุโทโธสั้นไปก็สวดให้ยาวหน่อยสวดให้ยาวขึ้นหน่อยเอาให้พอดีพอดีแต่ใหญ่ยาวขนาดชินบัญชร น, นะยาวยาวไปมันไม่ได้คิดนะเนื้อมันหลงไปหลายรอบไม่เห็นเราก็อาจจะพุโทโธพุธโทโธนะหรือพุโทโธเมนาโถอะไรเงี้ยพุโทโธสุสุทโธกรุณามหันโวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอิติปิโสพัควาอะไรเงี้ก็ได้นะ